สัตตินิบาตหนึ่งกุสชาดกว่าด้วยพระเจ้ากุสะหลงรูปโฉมนางประภาวดีพระเจ้ากุสะโพธิสัตว์กราบทูลพระมารดาว่าสเสด็จแม่นี้แคว้นของสเสด็จแม่มีทรัพย์สมบัติยานพาหนะเครื่องประดับสมบูรณ์ด้วยสิ่งที่น่าปรารถนาทั้งปวงขอสเสด็จแม่ทรงปกครองราชสมบัติของสเสด็จแม่นี้เถิด หม่อมฉันจะไปยังนครที่พระนางประภาวดีผู้เป็นที่รักประทับอยู่พระนางประภาวดีกราบทูลว่าพระองค์มีพระทัยไม่ซื่อตรงทรงหาบคอนหาบใหญ่จากทรงเหน็ดเหนื่อยทั้งกลางวันกลางคืนและดึกเดินเที่ยงคืนข้าแต่พระเจ้ากุศะขอเชิญพระองค์รีบเสด็จกลับกรุงกุสาวดีโดยพลันเถิดหม่อมฉันไม่ประสงค์จะให้พระองค์ ผู้ทรงมีผิวพรรณสามประทับอยู่ณที่นี้พระเจ้ากุสาพโพธิสัตว์ตรัสว่าพี่จะไม่จากที่นี้ไปกรุงกุสาวดีน้องประภาวดีพี่ลุ่มหลงในความงามของเธอจึงยินดีอยู่ในที่ประทับอันน่ารื่นรมของพระเจ้ามัทะพี่ยินดีพอใจที่จะเห็นเธอจึงละทิ้งแคว้นมาน้องประภาวดีพี่ลุ่มหลงในผิวพรรณของเธอ จึงสมสารท่องเที่ยวไปสู่เมธนีดอนไม่รู้จักทิศว่าเรามาจากไหนมัวแต่มัวเมาลหลงไหลในตัวเธอผู้มีดวงตาประดุดตาลูกน้อยเนื้อใสายน้องนางผู้มีสะโพกอันเพิ่งพายทรงผ้าคลิปทองเครื่องประดับทองคําพี่ไม่มีความต้องการราชสมบัติเพราะปรารถนาตัวเธอพระนางประภาวดีกราบทูลว่าข้าแต่พระราชาผู้เจริญ ผู้ใดปรารถนาบุคคลที่เขาไม่ปรารถนาผู้นั้นย่อมไม่มีความเจริญพระองค์ต้องการบุคคลที่เขาไม่ต้องการปรารถนารักใคร่บุคคลที่เขาไม่รักใครพระเจ้ากุศลโพธิสัตว์ตรัสว่าคนใดได้คนที่ไม่ต้องการตนก็ตามที่ต้องการตนก็ตามมาเป็นคนรักเราสรรเสริญการได้ในความรักนี้ของคนนั้นการไม่ได้ในความรักนั้นสิเป็นความโชคร้าย พระนางประภาวดีกราบทูลว่าพระองค์ทรงปรารถนาหม่อมฉันผู้ไม่ปรารถนาพระองค์เปรียบเสมือนพระองค์ทรงใช้ไม้กัญชาขุดเพชรหรือทรงใช้ตาข่ายดักลมพระเจ้ากุสาโลธิสัตต ร, ร์ว่าหินคงถูกฝังไว้ในพระหทัยอันมีลักษณะอ่อนละมุน ล, ละไมของพระนางเป็นแน่พระหม่อมฉันมาจากชนบทปั้นนอกยังไม่ได้ประสบความแช่มชื่นจากพระนางเลย เมื่อใดพระราชบุตรีหน้านิว้วท่อพระเนตรมอมฉันเมื่อนั้นมอมฉันก็ยังคงเป็นคนครัวภายในเมืองของพระเจ้ามัทตะเมื่อใดพระราชบุตรีทรงแย้มสวนท่อพระเนตรมอมฉันเมื่อนั้นมอมฉันไม่ใช่คนครัวเมื่อนั้นมอมฉันเป็นพระเจ้ากุสะพระนางประพาวดีกราบทูลว่าก็เท่าว่าคำทํานายของโหรทั้งหลายจะเป็นความจริงว่า พระองค์ไม่ใช่พระสวามีของหม่อมฉันแน่นอนขอชนทั้งหลายจงสับหม่อมฉันให้เป็นเจ็ดท่อนเถิดพระเจ้ากุสโพธิสัตตรสว่าก็เท่าว่าคำทานายของพวกขนอื่นหรือของหม่อมฉันจะเป็นความจริงใชคนอื่นนอกจากพระเจ้ากุสะผู้มีพระสุรเสียงดังราชสีไม่ใช่พระสวามีของพระนางแน่นอนพระเจ้ากุศลโพธิสัตว์ทรงหยอกล้อหญิงค่อม พระพี่เลี้ยงพระนางประภาวดีว่าแม่คอมเรากลับไปถึงกรุงกุสาวดีแล้วจกให้ช่างทองทำสร้อยคอทองคำแก่เจ้าถ้าพระนางประภาวดีผู้ทรงมีขาอ่อนงดงามดังงาช้างจะพึงเหลียวมองดูเราแม่คอมเรากลับไปถึงกรุงกุสาวดีแล้วจกให้ช่างทองทำสร้อยคอทองคำแก่เจ้า ถ้าพระนางประพาวดีผู้ทรงมีขาอ e ่อนงดงามดังงาช้างจะพึงเจรจากับเราแม่ข่อมเรากลับไปถึงกรุงกุสาวดีแล้ว win. จกให้ช่างทองทำสร้อยคอทองคำแก่เจ้าถ้าพระนางประพาวดีผู้ทรงมีขาอ่อนงดงามดังงาช้างจะพึงทรงยิ้มแย้มให้เราแม่ข่อมเรากลับไปถึงกรุงกุสาวดีแล้วจกให้ช่างทองทำสร้อยคอทองคำแก่เจ้า ถ้าพระนางประพาวดีผู้ทรงมีขาอ่อนงดงามดังงาช้างจะพึงทรงพระสวนกับเราแม่คอมเรากลับไปถึงกรุงกุสาวดีแล้วจะให้ช่างทองทำสร้อยคอทองคําแก่เจ้าถ้าพระนางประพาวดีผู้ทรงมีขาอ่อนงดงามดังงาช้างจะพึงทรงจับต้องเราด้วยพระหัตถ์ทั้งสองนางคอมไปกราบทูลพระนางประพาวดีว่า ก็พระราชบุตรีพระองค์นี้คงจะไม่ประสบแม้ความสำราญพระไทยในพระเจ้ากุศะผู้เป็นคนครัวคนรับใช้คนเลี้ยงดูซึ่งมีทรงประสงค์ข้าแจ้งอย่างแน่นอนพระนางประพาวดีตรัสว่าก็นางข่อมคนนี้คนยังไม่ได้ถูกมีคมตัดลิ้นแน่นอนจึงยังกล่าวชั่วช้าอย่างนี้อยู่นางข่อมประกาศความดีของพระโพธิสัตว์ว่าพระแม่เจ้าประภาวดี พระนางอย่าทรงเปรียบเทียบพระเจ้ากุศะนั้นกับพระรูปอันสูงระหงเลยแม่นางจงทรงทำพระไถวยว่าพระองค์ทรงมีพระยศใหญ่แล้วทำความรักในความงามเถิดพระแม่เจ้าประภาวดีพระนางอย่าทรงเปรียบเทียบพระเจ้ากุศะนั้นกับพระรูปอันสูงระหงเลยแม่นางจงทรงทำพระไถวยว่าพระองค์ทรงมีทรัพย์มากมายแล้วทำความรักในความงามเถิด พระแม่เจ้าประพาวดีพระนางอย่าทรงเปรียบเทียบพระเจ้ากุสะนั้นกับพระรูปอันสูงระหงเลยแม่นางจงทรงทำพระไทยว่าพระองค์ทรงมีพระกำลังมากแล้วทำความรักในความงามเถิดพระแม่เจ้าประพาวดีพระนางอย่าทรงเปรียบเทียบพระเจ้ากุสะนั้นกับพระรูปอันสูงระหงเลยแม่นางจงทรงทำพระไทยว่าพระองค์ทรงมีพระราชาณาจักกว้างใหญ่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 พระองค์ทรงมีพระสุรเสียงดังราชสีแล้วทําความรักในความงามเถิดพระแม่เจ้าประภาวดีพระนางอย่าทรงเปรียบเทียบพระเจ้ากุสะนั้นกับพระรูปอันสูงระหงเลยแม่นางจงทรงทําพระไยว่าพระองค์ทรงมีพระสุรเสียงไพเราะแล้วทําความรักในความงามเถิดพระแม่เจ้าประภาวดีพระองค์อย่าทรงเปรียบเทียบพระเจ้ากุสะนั้นกับพระรูปอันสูงระหงเลย แม่นางจงทรงทำพระไยว่าพระองค์ทรงมีพระสุรเสียงหยดย้อยแล้วทำความรักในความงามเถิดพระแม่เจ้าประภาวดีพระนางอย่าทรงเปรียบเทียบพระเจ้าปุสณะนั้นกับพระรูปอันสูงระหงเลยแม่นางจงทรงทำพระไยว่าพระองค์ทรงมีพระสุรเสียงหวานจับใจแล้วทำความรักในความงามเถิดพระแม่เจ้าประภาวดี พระองค์อย่าทรงเปรียบที่พระเจ้ากุสะนั้นกับพระรูปอันสูงระหงเลยแม่นางจงทรงทำพระไทยว่าพระองค์ทรงมีพระสุรเสียงไพเราะอ่อนหวานแล้วทำความรักในความงามเถิดพระแม่เจ้าประภาวดีพระนางอย่าทรงเปรียบเทียพระเจ้ากุสลนั้นกับพระรูปอันสูงระหงเลยแม่นางจงทรงทำพระไทยว่าพระองค์ทรงมีศิลปะนับเป็นร้อยๆอย่าง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 พระองค์ทรงพระนามว่าพระเจ้ากุสะแล้วทําความรักในความงามเถิดเราอมากราบทูลพระเจ้ามัทะว่าพระราชาผู้ประเสริฐเหล่านี้ทรงกระด้างยิ่งนักทั้งหมดสวมเกราะประทับยืนตระ n g g a n อยู่ก่อนที่พระราชาเหล่านั้นจะทรงทําลายกําแพงขอพระองค์ทรงส่งพระราชสารไปว่าขอพระราชาทั้งหลายจงนําเอาพระธิดาประภาวดีไปเถิด พระเจ้ามัทตะตรัสว่าเราจักสับลูกหญิงพระภาวดีนั้นให้เป็นเจ็ดท่อนแล้วถวายให้แก่พระราชาทั้งหลายที่เสด็จมาเพื่อฆ่าเราณที่นี้พระศ า, าสดาเมื่อจะทรงประกาศข้อความนั้นจึงตรัสว่าพระราชบุตรีผู้มีผิวพันดุจทองทรงผ้าไหมสีคลิปทองพระเนรทั้งสองนองไปด้วยพระอสุชนมีหมู่นางทาสีห้อมล้อมได้เสด็จลูกขึ้นแล้ว พระนางประภาวดีทรงคร่ำครวญว่าดวงหน้าหม่อมฉันที่รูป้ายด้วยแป้งส่องดูที่กระจกเงาด้ามงาอันงดงามมีดวงตาคมคายผุดผ่องเป็นยองใหญ่ไม่มีไฟฝ้านั้นจากถูกพวกกษัตริย์โยนทิ้งไว้ในป่าเป็นแน่เส้นผมทั้งหลายของหม่อมฉันที่ดำสนิทมีปลายงอนอ่อนละมุนละไมที่รูปไล่ด้วยน้ำมันแก่นจันเหล่านั้น นกแรงทั้งหลายจะพากันใช้เท้าทั้งสองตะกุยคุยเขียให้ยุ่งเหยิงในถ้ำกลางป่าช้าเป็นแน่แขนทั้งสองของหม่อมฉันอ่อนนุ่มมีเล็บมือแดงมีขนละเอียดอ่อนซึ่งลูบไล้ด้วยจุนแก่นจันเหล่านั้นจะถูกพวกกระสัตรตัดทิ้งไว้ในป่านกกาก็จะคาบเอาไปตามความต้องการเป็นแน่ทันทั้งสองของหม่อมฉันยังไม่หย่อนยาน เปรียบานได้กลับผลตาลรูปไร้ด้วยกระแจะจันแดงจากแควนกาสีเหล่านั้นสุนัขจิ้งจอกเห็นเข้าแล้วจักยืดดึงฐานทั้งสองของหม่อมฉันเหมือนลูกอ่อนอันเกิดแต่ตนยื้อดึงฐานทั้งสองของมารดาเป็นแน่สะโพกอันกลมกลึ ง, งผึงพายที่ถูกค้อยประดับด้วยสายสร้อยรัดเอวทองคําของหม่อมฉันซึ่งถูกตัดที่พวกกษัตริย์โยนทิ้งไว้ในป่านั้น ฝูงสุนัขจิ้งจอกจะยื้อแย่งเป็นแน่แท้ฝูงสุนัขป่าฝูงกา่าฝูงสุนัขจิ้งจอกและสัตว์ที่มีเขี้ยวเหล่าอื่นใดที่มีอยู่พวกมันเดือดกัดยินเจ้าหญิงประภาวดีเป็นพักษาหาสแล้วคงจะไม่แก่ชาราเป็นแน่ผ้าแต่ทูลกระหม่อมแม่หากษัตริย์ทั้งหลายผู้เสด็จไปสู่หนทางไกลได้ทรงนำเอาชิ้นเนื้อของหม่มฉันไปขอเสด็จแม่ ปรทรงขอกระดูกไว้แล้วเผามันทิ้งเสียในระหว่างทางทูลกระหม่อมแม่ขอเสด็จแม่โปรดให้สร้างเป็นสวนแล้วให้ปลูกต้นกานิกาไว้ในเขตนี้เมื่อใดต้นกานิกาเหล่านั้นมีดอกบานสะพรั่งในคราวหิมะตกแห่งฤดูเหมันเมื่อนั้นเสด็จแม่เพิ่งระลึกถึงหม่อมฉันว่าลูกประพาวดีของแม่มีผิวพันธ์อย่างนี้ พระศาสดาเมื่อจะทรงประกาศข้อความนั้นจึงตรัสว่านางกษศัตรผู้มีผิวพรรณดังเทพ อ, อักษรซึ่งเป็นพระมารดาของเจ้าหญิงประภาวดีนั้นทอดพระเนรเห็นดาบและเขียงภายในบุรีของพระเจ้ามัทะจึงเสด็จลุกขึ้นพระมารดาของพระนางประภาวดีทรงรำพันว่าข้าแต่เสด็จพี่มัทะพระองค์จักทรงประหารพระธิดาเอวบางร่างน้อย ซึ่งเป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดีด้วยพระแสงดาบนี้แล้วประธานหแหกแ่กษ์ทั้งหลายแน่ละหรือลูกหญิงลูกไม่ทำตามคำของแม่ผู้หวังประโยชน์ลูกนั้นจะมีเลือดโศมกายไปสู่สานักพยายมในวันนี้คนใดแลไม่ทำตามคำของผู้หวังเกื้อกูลและบ่งชี้ประโยชน์ทั้งหลายคนนั้นย่อมต้องลำบากอย่างนี้และต้องประสบความชั่วร้ายยิ่งกว่า ก็ถ้าวันนี้ลูกหญิงมีพระกุมารทรงโฉมโงดงามประดุจาบไว้ด้วยทองเป็นกษัตริย์ทรงกำเนิดกับพระเจ้ากุสะสวมใส่สร้อยสังวานทองคำประดับแก้วมณีที่หมู่พระยาทรงบูชาแล้วก็จะไม่ต้องไปสู่นิเวศพยายมกลองบรรลือเสียงสนัน่น้างก็ร้องเสียงดังเกึกกล้องในตระกูลแห่งกษัตริย์ทั้งหลายลูกหญิงเ อ, อ๋ยอะไรเล่าจะสุขกว่านั้น ม้าเสือขนองร้องคำรามอยู่ที่พระทวารโกมารร้องรำทำเพลงอยู่ในตระกูลแห่งกษัตริย์ทั้งหลายลูกหญิงเอย๋ยอะไรเล่าจะสุข ก, กว่านั้นตระกูลของกษัตริย์ทั้งหลายมีเสียงร้องดังกึกก้องของเหล่านกยูงและนกกเรียนและมีเสียงร้องสนอไพร่แห่งเหลานกดูเวงลูกหญิงเอย๋ยอะไรเล่าจะสุข ก, กว่านั้นพระมารดาของพระนางประภาวดี ตรัสกับพระนางประภาวดีแล้วตรัสว่าพระเจ้ากุสะพระองค์ใดทรงมีพระปรีชาอันโอฬานย่ายีศัตรูปราบปรามแขวนของพระราชาพระองค์อื่นจะพึงปลดเรื่องพวกเราจากความทุกข์ได้พระเจ้ากุสะพระองค์นั้นประทับอยู่ณที่ไหนหนอพระนางประภาวดีกราบทูลว่าพระเจ้ากุสะพระองค์ใดทรงมีพระปรีชาอันโอฬานย่ายีศัตรู ปราบรามแววนของพระราชาพระองค์อื่นจกทรงกำจัดกษัตริย์เหล่านั้นทั้งหมดได้พระเจ้ากุสสะพระองค์นั้นประทับอยู่ณที่นี้พระเจ้าค่าพระมารดาตรัสว่าเจ้าเป็นบ้าหรือจึงพูดออกมาเหมือนเด็กไร้เดียงสาพูดถ้าพระเจ้ากุสสะพึงเสด็จมาทำไมพวกเราจะไม่รู้จักพระองค์เล่าพระนางประภาวดีกราบโทนว่าพระเจ้ากุสสะคือคนครัวนั่น ทรงอยากรังอย่างมั่นคงกําลังก้มแ้งมออยู่ระหว่างตําหนักเจ้าหญิงทั้งหลายพระมารดาตรัสบริภารว่าเจ้าเป็นช่างถากเป็นหญิงจันทานหรือเป็นคนทําลายวงตระกูลเจ้าเกิดในวงตระกูลของพระเจ้ามัทะชไหนจึงทําพระสวามีให้เป็นทาสพระนางประภาวดีกราบทูลว่ามอมฉันไม่ใช่ช่างถากไม่ใช่หญิงจันทานและไม่ใช่คนทําลายวงตระกูล ขอทูลกระหม่อมแม่ทรงพระเจริญพระเจ้ากุสะนั้นคือพระราชบุตรของพระเจ้าโอกากุราชเสด็จแม่เท่านั้นทรงเข้าพระทัยว่าเป็นธาตุพระนางประพาวดีทรงสรรเสริญพระเกียรติยศของพระเจ้ากุสะโพธิสัตว์ว่าพระราชาพระองค์ใดทรงเชื้อเชิญพราหมณ์สองหมืคนให้บริโภคทุกเมื่อขอทูลกระหม่อมแม่ทรงพระเจริญ พระราชาพระองค์นั้นคือพระโอรสของพระเจ้าโอกากราชเสด็จแม่เท่านั้นทรงเข้าพระทัยว่าเป็นทาตเจ้าพนักงานเตรียมช้างสองหมื่นเชือกไว้ทุกเมื่อเมื่อพระราชาพระองค์ใดขอทูลกระหม่อมแม่ทรงพระเจริญพระราชาพระองค์นั้นคือพระโอรสของพระเจ้าโอกากราชเสด็จแม่เท่านั้นทรงเข้าพระทัยว่าเป็นทาต เจ้าพนักงานเตรียมม้าสองหมื่นตัวไว้ทุกเมื่อเพื่อพระราชาพระองค์ใดขอทูลกระหม่อมแม่ทรงพระเจริญพระราชาพระองค์นั้นคือพระโอรสของพระเจ้าโอการาชเสด็จแม่เท่านั้นทรงเข้าพระทัยว่าเป็นธาตุเจ้าพนักงานตระเตรียมราชรถสองหมื่นคันไว้ทุกเมื่อเพื่อพระราชาพระองค์ใดขอทูลกระหม่อมแม่ทรงพระเจริญ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 พระเจ้ามัท t ะทรงตำหนิพระธิดาว่าโอ้ลูกหญิงผู้โง่เขลาเจ้านั้นชั่วช้าเหลือเกินที่ไม่บอกถึงองค์กษัตริย์ผู้ทรงพลังมหาศาลดุดพญาช้างแปลงเป็นกบเสด็จมาณที่นี้พระเจ้ามัทะทรงสแสดงโทษของพระองค์ว่าข้าแต่มหาราชผู้จอมทัพขอพระองค์โปรดงดโทษแก่มอมฉันที่ไม่ทรงทราบว่าทรงปลอมพระองค์เสด็จมาณที่นี้ พระเจ้ากุศะโพธิสัตตรัสว่าการที่หม่อมฉันเป็นคนครัวนั้นไม่เป็นการปกปิดสำหรับคนเช่นหม่อมฉันเลยข้าแต่พระองค์ผู้สมุติเทพพระองค์ทรงเลื่อมใสหม่อมฉันต่างหากการกระทําผิดของพระองค์ไม่มีพระเจ้ามัทะส่งพระนางประภาวดีไปขอโทษว่านี่ลูกหญิงผู้โง่เขลาเจ้าจงไปขอให้พระเจ้ากุสะ ทรงพลังมหาศาลทรงงดโทษเสียพระเจ้ากุสะพระองค์นั้นผู้ที่เจ้าให้งดโทษแล้วจะประทานชีวิตให้เจ้าพระศาสดาเมื่อจะทรงประกาศข้อความนั้นจึงตรัสว่าเจ้าหญิงประภาวดีผู้มีผิวพรรณดุเดืดเทพ อ, อับสรทรงสดับพระดำรัตของพระปิตุราชแล้วทรงซบพระเศียรกอดพระบาทพระเจ้ากุสะผู้ทรงพลังมหาศาล พระนางประภาวดีกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้สมุติเทพราตรีทั้งหลายเหล่านี้ใดล่วงเลยไปราตรีทั้งหลายเหล่านี้นั้นเว้นจากพระองค์ล่วงเลยไปแล้วหม่อมฉันขอถวายบังคมพระบาทของพระองค์ด้วยเสียงกล่าวข้าแต่พระจอมทัพขอพระองค์โปรดอย่าทรงกลิ้วหม่อมฉันเลยพระเจ้าค่ะหม่อมฉันขอถวายสัตปยปฏิญาณต่อพระองค์ขอเดชะมหาราช โปรดสดับคำของหม่อมชันหมอมชันจะไม่กระทาความชิงชังต่อพระองค์อีกต่อไปถ้าพระองค์ไม่ทรงโปรดกระทาตามคาของหม่อมชันผู้ทูลวิงวอนอยู่อย่างนี้พระราชบิดาก็จะทรงเข่นฆ่าหมอมชันแล้วประทานให้แ ก, ก่กษัตริย์ทั้งหลายนักการบัดนี้พระเจ้ากุสสะโพธิสัตว์ได้สดับดังนั้นจึงตรัสว่าเมื่อพระน้องนางอ้อนวอนอยู่อย่างนี้ ชนไหนพี่จะไม่กระทำตามคำของพระน้องนางเล่าแม่ประพาวดีผู้เลอโฉมพระน้องนางอย่าทรงกลัวไปเลยพี่ไม่โกรธพระน้องนางหรอกพี่ขอให้สัตยปฏิญาณต่อพระน้องนางพระราชบุตรีโปรดทรงสดับคำของพี่เถิดพี่จะไม่กระทำความชิงชังต่อพระน้องนางอีกต่อไปแม่ประพาวดีผู้มีสะโพกเพึงพาย ความจริงพี่สามารถที่จะย่ำยีตรกุลกษัตริย์มัทราชมากมายให้ย่อยยับแล้วนำพระนางไปแต่เพราะความรักพระนางจึงยอมสู่อดทนกลั้นความทุกข์อย่างล้นเหลือพระเจ้ากุสาโพธิสัตว์ให้ขติยะมานะเกิดขึ้นแล้วตรัสว่าข้าหลวงทั้งหลายจงตราเตมราชรถที่วิจิตไปด้วยเครื่องอลังการต่างๆและมาที่ฝึกฝนดีแล้ว ต่อแต่นั้นท่านทั้งหลายจงดูความเร็วของเราผู้กำลังกำจัดศัตรูเถิดพระศาสดาเมื่อจะทรงประกาศข้อความนั้นจึงตรัสว่ายิงทั้งหลายภายในบุรีของพระเจ้ามัทะพากันมองดูพระเจ้ากุสะนั้นกำลังทรงเยื้องกรายดูดราชสีปรบพระหัตเสเวยพระกรยาหารเป็นสองเท่าณที่นั้นพระเจ้ากุะสะเสด็จขึ้นทรงคอช้าง และโปรดให้พระนางประพาวดีขึ้นประทับด้วยทรงอย่างลงสู่สงครามบรรลือสีหนาฏกษัตริย์ทั้งหลายนอกนี้ทรงสดับพระสุรสีหนาฏของเท้าเธอผู้ทรงบรรเลืออยู่ถูกความหวาดกลัวต่อพระสุรเสียงของพระเจ้ากุสะคุกคามจึงพากันเสด็จหนีไปเหมือนหมู่เนื้อหวาดกลัวต่อเสียงราชสีแล้วพากันหนีไปกองพลช้างกองพลมา้ากองพลรถ และกองพลราบถูกความหวาดกลัวต่อพระสุรเสียงของพระเจ้ากุสะคุกคามต่างพากันฟาดฟันกันเองในสงครามสาคัญครั้งนั้นเท้าสักกะจอมเทพได้ทอดพระเนตรเห็นแล้วทรงมีพระหฤทัยร่าเริงชื่นชมยินดีจึงได้พระราชทานแก้มณีอันไพโรดดวงหนึ่งแด่พระเจ้ากุสะพระราชาพระองค์นั้นครั้นทรงชนะสงครามนั้นแล้ว ได้รับพระราชทานแก้มณีอันไพโรธประทับบนคอช้างเสด็จเรียบบุรีนครทรงจับเป็นกษัตริย์ทั้งเ็พระองค์แล้วทรงพันธนาการให้น้อมนำเข้าไปถวายต่อพระสัตรุระพ่อตาด้วยพระธรรมราชว่าข้าแต่พระองค์ผู้สมุติเทพกษัตริย์เหล่านี้เป็นศัตรูของพระองค์พวกศัตรูทั้งหมดที่จะกาจัดพระองค์ก็ตกอยู่ในอำนาจของพระองค์แล้ว ขอพระองค์ทรงทําตามพระประสงค์เถิดจะทรงปล่อยหรือจะทรงประหารกษัตริย์เหล่านั้นก็ตามพระทัยเถิดพระเจ้ามัทตะตรัสว่ากษัตริย์เหล่านี้เป็นศัตรูของพระองค์ต่างหากมิใช่เป็นศัตรูของหม่อมฉันเลยข้าแต่มหาราชพระองค์เท่านั้นทรงเป็นใหญ่กว่าหม่อมฉันจะทรงปล่อยหรือจะทรงประหารกษัตริย์เหล่านั้นก็ตามพระทัยเถิดพระเจ้ากุศโพธิสัตว์ตรัสว่า พระธิดาทั้งเจ็ของพระองค์เหล่านี้ทรงเลอโฉมอุปมาดังเทพกัญญาของพระองค์โปรพระราชทานพระราชธิดาแต่ละพระองค์กรแดกกระสัตรเหล่านั้นขอกษัตริย์เหล่านั้นทั้งหมดจงเป็นพระราชบุตรเขยของพระองค์เถิดพระเจ้ามัทะตรัสกับพระเจ้ากุศะโพธิสัตว์ว่าข้าแต่มหาราพระองค์เท่านั้นทรงเป็นใหญ่กว่าหม่อมฉันกว่าธิดาผมหม่อมฉันเหล่านั้น และกว่าหม่อมฉันทั้งปวงขอพระองค์ทรงพระราชทานที่ดาทั้งหลายของหม่อมฉันแดกษัตริย์เหล่านั้นตามที่พระองค์ทรงพระประสงค์เถิดพระศาสดาเมื่อจะทรงประกาศข้อความนั้นจึงตรัสว่าในการนั้นพระเจ้ากุศะผู้ทรงมีพระสุรเสียงประหนึ่งราชสีได้พระราชทานพระธิดาของพระเจ้ามัทะแดกษัตริย์เหล่านั้นพระนางละอง กษัตริย์ทั้ง7็พระองค์ต่างพากันเอิบอิ่มพระไทยด้วยการได้นั้นทรงมีพระไทยยินดีในพระเจ้ากุสะผู้มีพระสุรเสียงประหนึ่งราชสีต่างฝ่ายต่างเสด็จกลับสู่แคว้นของตนทันทีส่วนพระเจ้ากุสะผู้ทรงพลังมหาศาลทรงพาเจ้าหญิงประพาวดีและแก้วมณีอันไพโรกงดงามเสด็จกลับยังกรุงกุสาวดี เมื่อพระราชาและพระราชเทวีทั้งสองพระองค์นั้นเสด็จไปในราชรถคันเดียวกันเสด็จเข้าไปยังกรุงกุสาวดีทรงมีพระชวีวันและพระรูปโฉมทัดเทียมกันไม่ได้ทรงรุ่งโรจนิยิ่งกว่ากันและกันเลยในการนั้นพระราชมารดาได้ทรงพบพระราชบุตรและพระชายาพระบิดาและพระโอรสทั้งสองพระองค์นั้นทรงสมัครสมานกันครอบครองแผ่นดินกุสาวดี ให้รุ่มเรืองแผ่ไพศาลสืบมากุสชาดกที่หนึ่งจบ 2. โซ น, นันธชาดกว่าด้วยโซ น, นันทดาบทพระเจ้าโมโนชชเมื่อทรงพิจารณาดาบทนั้นแล้วจึงตรัสว่าท่านเป็นเทวดาคนทันหรือเท้าสักกะปุรินทะหรือเป็นมนุษย์ผู้มีฤทธิ์กันแน่นอน พวกเราจะรู้จักท่านได้อย่างไรนั่นถ้าบัณฑิตดาวบทกราบทูลว่าอาตมาภาพไม่ใช่เทวดาไม่ใช่คนทันแม้เท้าสักกะปุรินทะก็ไม่ใช่อาตมาภาพเป็นมนุษย์ผู้มีฤทธิ์ขอถวายพระพรขอพระองค์ทรงทราบอย่างนี้เถิดภารัทะมหาปิฏฐพระเจ้ามโนชะได้สดับดังนั้นจึงตรัสว่า พระคุณเจ้าได้ทำการขนข้ายช่วยเหลือไม่ใช่น้อยเห็นปานนี้เมื่อฝนตกพระคุณเจ้าก็ได้ทำให้ฝนหยุดจากนั้นเมื่อลมแรงแดดกล้าพระคุณเจ้าก็ได้ทำเงาอันร่มเย็นต่อมาพระคุณเจ้าก็ได้ทำการป้องกันลูกศรนในถ้ำกลางศัตรูต่อมาพระคุณเจ้าก็ได้ทำแควนให้เจริญรุ่งเรืองแผ่ไพศาลและได้นาประชาชนผู้อยู่ในแควนเหล่านั้น ให้ยูนอำนาจของโยมต่อมาก็ได้ทำให้กษัตริย์ร้อยหนึ่งพระองค์ให้เป็นผู้ติดตามโยมโยมมีความพอใจต่อพระคุณเจ้าผู้เจริญพระคุณเจ้าประสงค์สิ่งเพื่อมใจอันใดคือยานพาหนะที่เทียมด้วยช้างรถเทียมด้วยมา้านารีที่ประดับด้วยเครื่องอลังการและหรือนิเวศอันรื่นรมย์สำราญขอพระคุณเจ้าออกปากขอมาเถิด ยมขอถวายแด่พระคุณเจ้าผู้เจริญหรือว่าพระคุณเจ้าประสงสิ่งใดในแคว้นอังคะก็ตามมคดก็ตามยมขอถวายแด่พระคุณเจ้าผู้เจริญหรือพระคุณเจ้าประสงแคว้นอ <rainfall through> <taxes> ัสกะหรือแคว้นอวันตียมก็เต็มใจถวายสิ่งนั้นแด่พระคุณเจ้าหรือแม้ราชสมบัติเกลึงหนึ่งยมก็จะถวายแด่พระคุณเจ้าผู้เจริญถ้าพระคุณเจ้าประสงราชสมบัต นิมนต์แนะนําสิ่งที่พระคุณเจ้าประสงค์มาเถิดนั้นถ้าบัณฑิตดาบทกราบทูลชี้แจงความประสงค์ของตนว่าราชสมบัติก็ตามบ้านเมืองก็ตามทรัพ ส, สมบัติก็ตามอาตมภาพไม่ต้องการแม้ถึงชนบทอัตมภาพก็ไม่มีความต้องการในพระราชอาณาจักของมหาปพิธผู้เจริญมีอาสมหลังหนึ่งอยู่ณราวป่าบิดามารดาทั้งสองของอัตมภาพ พมนักอยู่ณอาสมนั้นอาตามาภาพไม่ได้ทำบุญในท่านทั้งสองผู้เป็นบุพก า, ารย์นั้นเลยอาตามาภาพจะทำการทูลเชิญมหาปพิธผู้ทรงพระเจริญแล้วจะขอการสังวรขอโทษกับโสบนับฑิตพระเจ้าโมโนชะตรัสกับนันบาบดิตดาบทนั้นว่าท่านพราหม์โยมจะทำตามคำของพระคุณเจ้าตามที่พระคุณเจ้าพูดกับโยม แต่เรื่องนั้นพระคุณเจ้าบอกโยมมาเถิดว่าผู้วิงวอนขอร้องมีจำนวนเท่าไรนั้นถ้าบัณฑิตดาบทกราบโทนว่าข้าพเดชชาวชนบทและพระมหาศาลกว่าร้อยขึ้นไปกษัตริย์ผู้อภิชาตผู้ทรงมีพระอศริยยศเหล่านี้ทั้งหมดและพระองค์ผู้ทรงพระเจริญทรงพระนามว่าพระเจ้ามโนชะผู้วิงวอนขอร้องก็จักเพียงพอ พระเจ้ามโนชะตรัสกับนันทบัดิตดาบทว่าพนักงานทั้งหลายจงเ ต, ตรียมช้างและม้านายสารถีจงทีมรถท่านทั้งหลายจงถือเอาเครื่องผูกจงยกธงขึ้นปักที่แท่นปักธงเราจะไปยังอาสมที่โคศยดาบทพำนักอยู่พระศ า, าสดาเมื่อจะทรงประกาศข้อความนั้นจึงตรัสว่าลำดับนั้นพระราชาเสด็จไปพร้อมกับจัตุรงคเสนา ได้เสด็จถึงอาสมอันน่ารื่นรมที่โกศยดาบทอยู่พระเจ้ามโนชะทรงเห็นโสนาดาบทโพธิสัตว์มาจึงตรัสว่าหาบของใครผู้จะไปหาบน้ำทำด้วยไม้กระทุ่มไม่ถูกต้องบาลอยขึ้นสู่อากาศห àng ่างบาประมาณสี่องคุลีโสนาดาบทโพธิสัตว์กราบทูลว่าข้าแต่มหาราชอาตมภาพคือโสนาดาบท ผู้อดกล้นประพฤติวัดไม่เกียจคร้านเลี้ยงดูมารดาบิดาอยู่ทุกคืนวันขอถวายพระพรพระองค์ผู้เป็นเจ้าแห่งทิศอาตมภาพระลึกถึงอุปการะที่ท่านทั้งสองได้ทําไว้แล้วในการก่อนอยู่เนืองๆจึงนําเอาผลไม้และเผือกมันในป่ามาเลี้ยงดูมารดาบิดาพระเจ้ามโนชะทรงประสงค์จะทําความคุ้นเคยกับโซนบัณฑิตาบทจึงตรัสว่า โยมทั้งหลายปรารถนาจะไปยังอาสมที่โกศยดาบดอยู่พระคุณเจ้าโส น, นะนิมนต์พระคุณเจ้ากรุณาบอกหนทางแก่พวกโยมด้วยพวกโยมจะไปถึงอาสมได้โดยหนทางใดโสนาดาบดโพธิสัตว์กราบทูลว่าขอถวายพระพรพ ร, พระราชาหนทางนี้เป็นทางเดินเท้าสำหรับคนผู้เดียวณนะที่ใดมีป่าสีเขียวครามคล้ายเมฆ ดารดาไปด้วยต้นทองกล่าวท่านโกศยดาบทพมนักอยู่ณป่าแห่งนี้พระศาสดาเมื่อจะทรงประกาศข้อความนั้นจึงตรัสว่ามหาฤาษีครั้งกล่าวอย่างนี้แล้วจึงเหาะขึ้นในอากาศพร่ำสอนกษัตริย์ทั้งหลายแล้วรีบด่วนหลีกไปในอากาศปัดกวาดอาสมปูลาดอาสนะแล้วเข้าไปยังบารรณศาลาบอกกล่าวบิดาให้รู้ตัวว่า ข้าแต่มหาือสีกระสัผู้อภิชาติทรงมีพระอิสริยยศทั้งหลายเหล่านี้กำลังเสด็จมาขอท่านพ่อจงออกไปนั่งนอกอาสมเถิดมหารือสีสะดับคำของโสนาบนดิตนั้นแล้วรีบออกจากอาสมนั่งอยู่ใกล้ประตูอาสมของตนพระศาสดาเมื่อจะทรงประกาศข้อความนั้นจึงตรัสว่าโกิยดาบท ได้เห็นพระเจ้ามโนชะนั้นมีหมู่กษัตริย์แวดล้อมเป็นประดุจกองทัพรุ่งเรืองอยู่ด้วยเดชานุภาพกำลังเสด็จมาจึงได้ ก, กล่าวคาถานี้ว่ากระบวนกลองตโพนสังบันดอะและมะโหระทึกนำหน้าใครมายัางพระราชาผู้จอมทัพให้ร่าเริงใครมีหน้าผากสวมกรอบอุณหิตทองคำอันน า, นามีวัณะประดุจสายฟ้าใครน้อยังหนุ่มแน่น ผูกสอดแล่งลูกศรรุ่งเรืองอยู่ด้วยสิริกำลังมาอันหนึ่งใบหน้าของใครงดงามผุดผ่องดุูทองคําที่ละลายควางอยู่ปากเบ้ามีสีดังฐานเพลิงไม้ตะเคียนใครหนอรุ่งเรืองอยู่ด้วยสิริกำลังมาฉาดมีซี่หน้ารื่นรมใจสําหรับกั้นบางแสงอาทิตย์เขาประคองกั้นแล้วเพื่อใครใครหนอรุ่งเรืองอยู่ด้วยสิริกำลังมา ชนทั้งหลายถือพัดวารวีชนีเครื่องสูงเดินแวดล้อมเริ่มร่างของใครผู้มีบุญอันประเสริฐซึ่งกำลังมาบนคอช้างสเสวตชฉัตรมาอาชาในและทหารสวมเกราะของใครเรียงรายอยู่โดยรอบใครหนอร่วงเรืองอยู่ด้วยสิริกำลังมากษัตริย์ร้อยหนึ่งพระองค์ผู้ทรงมีพระอิสริยยศกำลังแวดล้อมติดตามใครอยู่โดยรอบ ใครหนอรุ่งเรืองอยู่ด้วยสิริกำลังมาอันหนึ่งเสนาสีเหล่าคือกองพลช้างกองพลมา้ากองพลรถและกองพลราบแวดล้อมตามใครอยู่โดยรอบใครหนอรุ่งเรืองอยู่ด้วยสิริกำลังมาเสนาหมูใหญ่นั่นของใครนับไม่ถ้วนแวดล้อมติดตามมาข้างหลังประดุษคลื่นแห่งสาครพระเจ้ามโนชะผู้เป็นราชาที่ราช เหมือนพระอินผู้เป็นเทพเจ้าแห่งเทพทั้งหลายผู้มีชัยกําลังเสด็จมาสู่อาสมของท่านผู้ประพฤติพรหมจรรย์เพื่อทรงขอขมาโทษแทนนันทดาบทนั้นเสนาหมู่ใหญ่ของพระองค์นับไม่ถ้วนแวดล้อมติดตามมาข้างหลังประดุดคลื่นแห่งสาครพระราชาทั้งหลายมีพระวรกายรูปไร้ด้วยจุนแก่นจันทร์ทรงพระภูสากาศิกะพัตนอันอุดม ทุกพระองค์ต่างประนมมือเสด็จเข้าไปหาพระฤาษีต่อแต่นั้นพระเจ้ามโนชาตรัสว่าพระคุณเจ้าผู้เจริญมีความสุขสำราญดีไม่มีโรคเบียดเบียนหรือพระคุณเจ้ายังอัตภาพให้เป็นไปด้วยการสแสวงหามูลพลาหารหรือเผือกมันและผลไม้ ย, ยังมีอยู่มากหรือเหลือบยุงและสัตว์เลื้อยคลานมีน้อยหรือ ในป่าที่มีเนื้อร้ายอยู่พลุกพล่านไม่มาเบียดเบียนหรือโซโนาดาบทโพธิสัตว์กราบทูลว่าข้าแต่พระราชาพวกอาตมาภาพมีความสุขสำราญดีและไม่มีโรคเบียดเบียนอันหนึ่งอาตมาภาพทั้งหลายยังอัตภาพให้เป็นไปด้วยการสแสวงหามูลพลาหารและเผือกมันผลไม้ก็ยังมีอยู่มากอันหนึ่ง เหลือบยุงและสัตว์เลื้อยคลานก็มีน้อยเนื้อายอยู่พลุกพล่านเนื้อป่าก็ไม่มาเบียดเบียนอาตมาภาพเลยหลายปีมาแล้วอาตมาอยู่ในอาสมนี้ยังไม่รู้จักความอาพาธที่ไม่ทำใจให้รื่นรมย์ซึ่งเกิดขึ้นแล้วข้าแต่มหาราชพระองค์เสด็จมาดีแล้วมิได้เสด็จมาร้ายพระองค์ทรงเป็นใหญ่เสด็จมาถึงโดยลาดับสิ่งใดที่ทรงพอพระทยัยโปรดตรัสบอกสิ่งนั้นเถิด ค่าแต่พระราชาพ้นมาพลับพ้นมาหาดพ้นมาซางและพ้นหมากเมามีรสหวานเล็กน้อยเชิญพระองค์เลือกสวยผลดีดีเถิดน้ำดื่มนี้ก็เย็นสนิท ต, ตักมาจากซอกเขามหาประพิธหาพระองค์ประสงค์ขอทรงดื่มเถิดพระเจ้ามโนชะตรัสว่าสิ่งที่พระคุณเจ้าให้โยมก็รับไว้แล้วพระคุณเจ้าทำให้มีค่าสาหรับคนทุกคน ขอพระคุณเจ้าทั้งหลายโปรดเงียโซดสับคําของนันทดาบดเถิดท่านจะกล่าวพวกโยมเป็นบริษัทของนันทดาบดพากันมายังสํานักของพระคุณเจ้าผู้เจริญเพื่อจะขอขมาโทษขอพระคุณเจ้าผู้เจริญโปรดสดับฟังคําของนันทดาบดและของบริษัทเถิดนันทบัณฑิตเมื่อเจะระจากับบริษัทของตนจึงกล่าวว่า ชาวชนบทและพระมหาศารกว่าร้อยขึ้นไปกระสัผู้อภิชาติผู้ทรงมีพระอิสริยยศเหล่านี้ทั้งหมดและพระราชาผู้เจริญทรงพระนามว่ามโนชะโปรดทรงสดับคำของอัตมาภาพสักเล็กน้อยอันหนึ่งยักษ์พูดและเทวดาทั้งหลายในป่าที่พากันมาประชุมอยู่ในอาสมนี้ขอจงฟังคำของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอกระทาความนอบน้อมแก่ผู้ทั้งหลาย แล้วจะกล่าวกับโสนเรศีผู้มีวัดดีงามข้าพเจ้านั้นชาวโลกสมมุติแล้วว่าเป็นชาวโคศยโคต ร, ร่วมกับท่านจึงนับว่าเป็นแขนขวาของท่านข้าแต่ท่านพี่โคสีผู้กล้าหาญเมื่อข้าพเจ้ามีความประสงค์จะเลี้ยงดูมารดาและปิดาบังเกิดกล้าของข้าพเจ้าฐานะนี้ชื่อว่าเป็นบุญขอท่านพี่จงอย่าห้ามข้าพเจ้าเลยแท้จริง การบำรุงมารดาและบิดานั้นสัตว์ปรุททั้งหลายสรรเสริญแล้วขอท่านพี่จงสละการบำรุงมารดาบิดานั้นให้ข้าพเจ้าเถิดท่านพี่ได้กระทํากุศลมานานแล้วด้วยการลุกขึ้นทํากิจวัตรและการบีบนวดบัดนี้ข้าพเจ้าใกล้จะทําบุญในมารดาบิดาทั้งหลายบ้างขอท่านพี่จงมอบโลกสวรรค์ให้แก่ข้าพเจ้าเถิดข้าแต่ท่านพี่ผู้เป็นฤาษี มนุษย์ทั้งหลายผู้รู้บทแห่งธรรมในธรรมว่าเป็นหนทางแห่งโลกสวรรค์เหมือนอย่างท่านพี่รู้มีอยู่ในบริษัทนี้เหมือนกันท่านโสนะบัณฑิตผู้พี่ห้ามข้าพเจ้าผู้จะบำรุงมารดาบิดาให้มีความสุขด้วยการอุปถากและการนวดเฟ้นจากบุญนั้นชื่อว่าเป็นคนปิดกั้นหนทางอันประเสริฐเมื่อ น, นั้นทาบัณฑิตกล่าวอย่างนี้แล้ว โสนาดาบทโพธิสัตว์ประกาศให้ทราบว่าขอถวายพระพรมหาประพิฏกษัตริย์ผู้เจริญทั้งหลายผู้จะขอขอมาโทษแทนน้องชายของอัตมาภาพขอทรงสดับคําของอัตมาภาพผู้ใดยังสกุลวงอันเก่าแก่ให้เสื่อมไปไม่ประพฤติธรรมในบุคคลผู้เจริญในสกุลทั้งหลายผู้นั้นย่อมเข้าถึงนรกขอถวายพระพรพระองค์ผู้เป็นเจ้าแห่งทิศ ก็ชนเหล่าใดเป็นผู้ฉลาดในธรรมอันเก่าแก่ถึงพร้อมด้วยจารีตชนเหล่านั้นจะไม่ไปสู่ทุกติมารดาและบิดาพี่ชายน้องชายพี่สาวน้องสาวเครือญาติและพวกพ้องชนเหล่านั้นทั้งหมดเป็นภาระของพี่ชายใหญ่ขอพระองค์ทรงทราบอย่างนี้เถิดท่านพารทะขอถวายพระพรพระองค์ผู้เป็นจอมทัพ อาตามาภาพต้องรับภาระอันหนักและไม่ละเลยทำเหมือนนายเรือต้องรับภาระอันหนักพยายามนำเรือไปเพราะว่าอาตามาภาพเป็นพี่ชายใหญ่พระราชาทุกพระองค์ทรงพอพระทยัยทรงชมเชยโสนดาบทโพธิสัตว่าเราทั้งหลายได้บรรลุญาณคือปัญญาในความมืดท่านโสนโปษยะฤๅษีผู้เจริญได้แสดงธรรมอย่างชัดแจ้งแก่พวกเราทั้งหลาย เหมือนเปลวเพลิงจากไฟป่าในเวลามืดมิดดวงอาทิตย์เหล่ากอแห่งวาสุเทพเปล่งรัศมีอุทัยอยู่ย่อมทรงแสงให้เห็นรูปทั้งดีทั้งชั่วอย่างแจ่มแจ้งแก่เหล่าสัตว์ชั้นใดท่านโสนโกศยะเรือศรผู้เจริญก็ชันนั้นเหมือนกันได้แสดงธรรมอย่างชัดแจ้งแก่เราทั้งหลายลำดับนั้นนันทบัณฑิต ก, กล่าวว่า ถ้าท่านพี่ไม่ยอมรับรู้ถึงการประคองอัญเชลีของข้าพเจ้าผู้วิงวอนอยู่อย่างนี้ข้าพเจ้าจะประพฤติตามท่านพี่จากตั้งใจปฏิบัติบตำรุงท่านพี่โซนาดาบทโพธิสัตว์เมื่อจะประกาศคุณของนันทบัณฑิตยังกล่าวว่านันทะเธอรู้แจ้งชัดถึงสัตร ร, รมที่สัตรบหรุษทั้งหลายแสดงไว้แล้วอย่างแท้จริงเธอเป็นผู้ประเสริฐมีมารยาทงาม พี่พอใจเธอยิ่งนักพี่จะบอกท่านพ่อท่านแม่ขอท่านทั้งสองจงฟังคำของข้าพเจ้าภาระนี้เป็นเพียงภาระชั่วครั้งชั่วคราวของข้าพเจ้าหามิได้นันทดาบทกระทำการขอขมาโทษอ้อนวอนขอกับข้าพเจ้าเพื่อบำรุงท่านทั้งสองอันเป็นการอุปถาที่นำความสุขมาให้แก่มารดาบิดานั้นบ้างบรรดาท่านทั้งสองผู้สงบพระพฤกษพรมจรั ท่านผู้ใดปรารถนาขอท่านคนหนึ่งจงปรารถนานันทะเถิดขอนันทะจงบำรุงใครคนหนึ่งในท่านทั้งสองตามต้องการเถิดมารดาของโสนดาบทโพธิสัตว์กล่าวว่าโสนะแม่และพ่ออาศัยเธอเธออนุญาตแล้วแม่พึงได้จุมพิษนันทะผู้ประพฤติพรหมจรรย์ที่กระหม่อมเถิดเพราะนานเหลือเกินจึงได้เห็นนันทะ หัวใจของแม่ย่อมหวั่นไหวเหมือนใบอ่อนของต้นโพถูกลมพัดไหวไปมาเมื่อใดแม่หลับลงฝันเห็นนันทะมาแม่ก็เบิก บ, บานดีใจว่าลูกนันทะของแม่มาแล้วแต่เมื่อใดแม่ตื่นขึ้นแล้วไม่เห็นนันทะมาความเศร้าโศกและความเสียใจไม่ใช่น้อยกลับทับถมโดยยิ่งแม่เห็นนันทะกลับมาในวันนี้ ขอนันทะผู้เป็นที่รักของพ่อแม่จงเข้าไปยังเรือนของพวกเราเถิดนันทะเป็นลูกสุดที่รักแม่ของบิดานันทะไม่ควรจากเรือนนี้ไปอีกพ่อโสนาะขอนันทะจงได้สิ่งที่ตนปรารถนาเถิดขอนันทะจงบำรุงแม่เถิดโซนาดาบทโพทธิสัตว์ประกาศพระคุณของมารดาว่าพ่อฤาษีมารดาเป็นผู้อนุเคราะห์เป็นที่พึ่ง และเป็นผู้ให้รถคือน้ำนมแก่พวกเรามมก่อนเป็นหนทางแห่งโลกสวรรค์มารดาปราถนาเจ้าพ่อฤาษีมารดาเป็นผู้ให้รถมาก่อนเป็นผู้คุ้มครองเป็นที่เข้าไปประกอบบุญกุศลเป็นหนทางแห่งโลกสวรรค์มารดาปราถนาเจ้าโซนาดาบทโพธิสัตว์เมื่อจะประกาศว่ามารดาเป็นผู้ทำกิจที่ทาได้ยาก ที่บุคคลอื่นจะพึงได้จึงกล่าวว่ามารดาเมื่อหวังผลคือบุตรจึงนอบน้อมเทวดาและไต่ถามถึงฤกษ์ฤดูและปีทั้งหลายเมื่อมารดานั้นมีฤดูการตั้งครรภ์จึงมีได้เพราะการตั้งครรภ์ น, นั้นมารดาจึงมีการแพ้ท้องเพราะเหตุนั้นบัณฑิต จ, จึงเรียกท่านว่าสุหธาหญิงผู้มีใจดี มารดาประคับประคองคันอยู่หนึ่งปีหรือหย่อนกว่าบ้างแล้วจึงคลอดบุตรเพราะเหตุนั้นมารดานั้นจึงชื่อว่าหญิงผู้ให้เนิดบุตรเพราะเหตุนั้นบัณฑิต จ, จึงเรียกท่านว่าชเนตตีหญิงผู้ยังบุตรให้เกิดเมื่อบุตรร้องไห้มารดาก็ปลอบโยนให้ยินดีได้ด้วยน้ำนมบ้างด้วยการร้องเพลงกล่อมบ้างด้วยการกอดไว้แนบอกบ้าง เพราะเหตุนั้นบัณฑิตจึงเรียกท่านว่าโตเสนาตีหญิงผู้ยังบุตรให้ร่าเริงยินดีจากนั้นเมื่อลมแรงและแดดกล้ามารดาก็กระทําความรักอย่างจับใจมองดูบุตรผู้ยังเป็นเด็กอ่อนไร้เดียงสาอยู่เพราะเหตุนั้นบัณฑิตจึงเรียกว่าโปเสนาตีหญิงผู้เลี้ยงดูบุตรทรัพย์อันใดที่เป็นทรัพย์ของมารดาก็ดี เป็นทรัพย์ของบิดาก็ดีแม้ทรัพย์ทั้งสองมานดาก็คุ้มครองรักษาไว้เพื่อบุตรนั้นด้วยหมายใจว่าแม้ทรัพย์ทั้งสองนี้พึงเป็นของบุตรของเรามานดาเมื่อให้บุตรสำเนียกว่าอย่างนี้สิลูกอย่างโน้นสิลูกย่อมลำบากและทราบว่าบุตรของตนเมื่อถึงคราวเป็นหนุ่มรุ่มหลงมัวเมาในพันยาของผู้อื่นอยู่จนดึกเดินเที่ยงคืน ไม่กลับมาในเวลาเย็นก็ย่อมเดือดร้อนด้วยประการฉนี้บุตรที่มารดาเลี้ยงดูมาแล้วด้วยความลำบากอย่างนี้ไม่บำรุงมารดาบุคคนนั้นชื่อว่าประพฤติผิดในมารดาย่อมเข้าถึงนรกบุตรที่บิดาเลี้ยงดูมาแล้วด้วยความลำบากอย่างนี้ไม่บำรุงบิดาบุคคนนั้นชื่อว่าประพฤติผิดในบิดาย่อมเข้าถึงนรก ข้าพเจ้าได้สดับมาว่าแม้ทรัพย์ที่เกิดขึ้นแก่บุตรทั้งหลายผู้มีความต้องการทรัพย์ก็พินาศไปบ้างบุตรนั้นย่อมถึงฐานะอันลำบากบ้างเพราะไม่บำรุงมารดาข้าพเจ้าได้สดับมาว่าแม้ทรัพย์ที่เกิดขึ้นแก่บุตรทั้งหลายผู้มีความต้องการทรัพย์ก็พินาศไปบ้างบุตรนั้นย่อมถึงฐานะอันลำบากบ้างเพราะไม่บำรุงบิดา ความเพลิดเพลินยินดีความเรื่นเริงบันเทิงใจและการหัวเราะเล่นหัวกันในการทุกเมื่อนั้นบัณฑิตผู้รู้แจ้งจะพึงได้เพราะบำรุงมารดาความเพลิดเพลินยินดีความเรื่นเริงบันเทิงใจและการหัวเราะเล่นหัวกันในการทุกเมื่อนั้นบัณฑิตผู้รู้แจ้งจะพึงได้เพราะบำรุงบิดาสั้งคหวัตถุทั้งหลายคือหนึ่งทานการให 2. ปิยาวาจาการเจรจาถ้อยคำที่น่ารัก 3. อัตจริยาการประพฤติประโยชน์ 4. ส, สมานัตตาความเป็นผู้มีตนเสมอในธรรมทั้งหลายตามสมควรในที่นั้นๆทั้งสี่ประการนี้ยังมีอยู่ในโลกนี้เหมือนเพลารถยังมีแก่รถที่กำลังแล่นไปหากว่าสังคาวัตถุเหล่านี้ไม่พึงมีไซ มารดาไม่พึงได้รับการนับถือหรือการบูชาเพราะเหตุแห่งบุตรเลยหรือบิดาไม่พึงได้การนับถือหรือการบูชาเพราะเหตุแห่งบุตรเลยก็เพราะบัณฑิตทั้งหลายพิจารณาเห็นสังขาวัตถุเหล่านี้โดยชอบเพราะฉะนั้นจึงบรรลุถึงความเป็นใหญ่ทั้งบัณฑิตเหล่านั้นยังเป็นผู้น่าสรรเสริญอีกด้วยมารดาและบิดาทั้งหลายบัณฑิตกล่าวว่า 1. เป็นพรหมของโลก 2. เป็นบุรพาจารย์ของลูก 3. เป็นผู้ควรแก่ของต้นรับบูชาของลูก 4. เป็นผู้อนุเคราะห์หมูสัตว์คือบุตรเพราะเหตุนั้นบัณฑิตพึงนอบน้อมและพึงสักการะมารดาบิดาทั้งสองนั้นด้วยข้าวและน้ำด้วยผ้านุ่งผ้าห่มและที่นอนด้วยการอบตัวและอาบน้ำให้และด้วยการล้างเท้าทั้งสองให้ท่าน เพราะการบำรงมารดาและบิดาทั้งสองนั้นบัณฑิตทั้งหลายจึงสรรเสริญเขาในโลกนี้ทีเดียวเขาตายไปแล้วย่อมบันเทิงในสวรรค์ดังนี้แลโซ น, นันทชาดกที่สองจบรวมชาดกที่มีนินบาทนี้คือ 1. กุสาชาดก 2. โซ น, นันทชาดกสัตตินิบาตจบ